ติตะวาระว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอดีตอนุโลมบุคคลจากคายตนะมูลกะในร้อสสองอนุจากคายตนะของบุคคลใดเคยดับโสตายยตนะของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิใช่ในอุปาทวาระนิโรธวาระอุปาทันิโรทวาระอติตะปุชาเหมือนกันทั้งอนุโลมและปฏิโลม สอนาคตะวาระว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคลจากขายัตนามูลกะในร้อสาสอนุจากขายัตนะของบุคคลใดจักดับโสตายัตนาของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิใช่ปติโสตายัตนาของบุคคลใดจักดับจากขายัตนะของบุคลบบคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิใช่ อนุจากค า, า, า, ายตนะของบุคคลใดจักดับคานายตนะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิปชิมภวิกะบุคคลผู้กําลังอุบัติในรูปาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพานซึ่งกําลังจุติจากคายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่คานายตนะไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้จากคายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับ และขานายจตระก็จักดับปฏิขานายจตระของบุคคลใดจักดับจากขายจตระของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิใช่อนุจากขายจตระของบุคคลใดจักดับรูปายจตระของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิใช่ปฏิรูปายจตระของบุคคลใดจักดับจากขายจตระของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิใช่ อนุจากขายยตนะของบุคคลใดจากดับม น, นายตนะทำมายตนะของบุคคลนั้นก็จากดับใช่ไหมวิใช่ปฏิทำมายตนะของบุคคลใดจากดับจากขายยตนะของบุคคลนั้นก็จากดับใช่ไหมวิปัจฉิมภวิกระบุคคลผู้กำนังอุบัติในอรู ป, ปภูมิและบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในอรู ป, ปภูมิแลปริญิพานซึ่งกำนังจุติ ทำรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่จักขายยตนะไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ทำมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับและจักขายยตนะก็จักดับจักขายยตนะมูลกะในจบขานายตนะมูลกะในร้อยสามสิบสี่อนุขา น, น, น, นขายตนะของบุคคลใดจักดับรูปลายตนะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิใช่ปฏิ รูปายตนะของบุคคลใดจักดับคาในยตนะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิปชิมพระเวกะบุคคลผู้กำ ล, ล, ลังอุบัติในรูปาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดจะอุบัติในรูปาวจรภูมิและปรินิพานซึ่งกำลังจุติรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่คาในยตนะไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้รูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับและคาในยตนะก็จักดับ อนุคานายตนะของบุคคลใดจักดับมานายตนะธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิใช่ปฏิธรรมายตนะของบุคคลใดจักดับคานายตนะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิปัจฉิมภวิตริบุคคลผู้กำลังอุบัติในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิและปรินิพานกำลังจุติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับ แต่คานายตนะไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ทำนายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับและคานายตนะก็จักดับคานายตนะมูลกะในจบรูปายตนะมูลกะในร้อยสามสิบห้าอนุรูปายตนะของบุคคลใดจักดับมานายตนะทำนายตนะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิใช่ปฏิ ธรรมายตนะของบุคคลใดจักดับรูปายตนะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิปัจฉิมพระเกะบุคคลผู้กำลังอุบัติในอรูปภูมิและบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในอรูปภูมิและปรินิพานซึ่งกำลังจุติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่รูปายตนะไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับและรูปายตนะก็จักดับ 1 3อมอนุมัายตนะของบุคคลใดจักดับธรรมยยตนะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิใช่ปฏิธรรมยยตนะของบุคคลใดจักดับมัณรายตนะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิใช่อนุโลมะโอกาสจะขายายตนะูลกะในร้อสาสิอนุจกขายายตนะในภูมิใดจักดับ ละถึงอนุโลมปุกคโลกาดจากขายตนะมูรกะในร้อยสามสิบปดอนุจากขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจักดับขานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิใช่ปฏิโสตายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจักดับจากขายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิใช่อนุ จากคายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจักดับคานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกลามาวจรภูมิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตาภูมิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในปัญจโวักรภูมิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในปัญจวกรภูมิ บุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิและอรูปภูมิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในปัญจโวการภูมิจากขายตนะมูลกะในจบขานายตนะมูลกะในร้อยสามสิบเก้าอนุขานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจักดับรูปายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิใช่ปฏิ รูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจักด <K D> ับคานายตนะของบุคคลนั <Advanced>. ้นในภูม <pered> ินั้นก็จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในคามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิและรูปาวจรภูมิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในคามาวจรภูมิคานายตนะมูลกะในจบรูปายตนะมูลกะในร้อยสี่สิบอนุ รูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจักดับมนายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในปัญจโวกา ร, รภูมิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปาวจรภูมิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในปัญจโวการภูมิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในปัญจโวการภูมิและอสัญญสัตตภูมิ รูปายตนะมูลกะในจบมนายตนะมูลกะในร้อยสี่สิบเอ็ดอนุมนายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจากดับทำมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จากดับใช่ไหมวิใช่ปฏิทำมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจากดับมนายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จากดับใช่ไหมวิ บุคคลผู้อุบัติในอสัญญัตตภูมิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและมานายตนะก็จักดับในคำที่ท่านกล่าวว่าของบุคคลใดในภูมิใดในอุปาทวาระอนาคตะปุชาท่านขยายให้พิจารณแล้วฉันใดแม้นนิโรธวาระก็พึงขยายให้พิจารณฉันนั้น ปัจนีกะบุคคลจากขายตนะมูลกะในร้อยสี่บสองอนุจากขายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักดับโสตายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิใช่ปฏิโสตายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักดับจากขายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิใช่อนุจากขายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักดับ คานายตะณะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิใช่ปฏิคานายตะณะของบุคคลใดไม่ใช่จักดับจากขานายตะณะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิปชิมภวิกรบุคคลผู้กําลังอุบัติในรูปาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูปาวจรภูมิและปรินิพานซึ่งกําลังจุติคานายตะณะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับ แต่จักขายัตนะไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในปัญจวัการาภูมิปัดฉิมภวิกะบุคคลในรูปภูมิและบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูปภูมิแล้วปรินิพพานซึ่งกำลังจุติค่านายัตณะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับและจักขายัตนะก็ไม่ใช่จักดับอนุจักขายัตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักดับรูปลายัตณะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหม วิใช่ปติรูปายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักดับจากขายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิใช่อนุจากขายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักดับมน า, ายตนะธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิปัิมภวกระบุคคลผู้กําลังอุบัติในอรู ป, ปภูมิและบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในอรู ป, ปภูมิ และปรินิพานซึ่งกำลังจุติจากขายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับแต่ธรรมายตนะไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กําลังปรินิพานจากขายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับและธรรมายตนะก็ไม่ใช่จักดับปฏิธรรมายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักดับจากขายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิใช่จากขายตนะมูลกะในจก คานายตะณะมูลกะในรอยสี่สิบสาอนุคานายตะณะของบุคคลใดไม่ใช่จักดับรู้ไปตะณะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิปัิมภวิกรบุคคลผู้กำลังอุบัติในรูปราวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดจะอุบัติในรูปราวจรภูมิและปรินิพานซึ่งกำลังจุติคานายตะณะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับ แต่รูปายตนะไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กําลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิปัจฉิมภวิกะบุคคลในอรูปภูมิและบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในอรูปภูมิและปรินิพานซึ่งกํำลังจุติคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับและรูปายตนะก็ไม่ใช่จักดับปฏิรูปายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักดับ คาในยตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิใช่อนุคาในยตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักดับมานยตนะธรรมยตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิปชิมภวิกะบุคคลผู้กำลังอุบัติในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิและปรินิพานซึ่งกันังจุติ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 รูปายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักดับมนายตนะธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิประชิมภวิกะบุคคลผู้กําลังอุบัติในรู ป, ปภูมิและบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในรู ป, ปภูมิและปรินิพานซึ่งกําลังจุติรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับแต่ธรรมายตนะไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กําลังปรินิพาน รูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับและธรรมายตนะก็ไม่ใช่จักดับปติธรรมายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักดับรูปายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิใช่ร้อยสี่สิบห้าอนุมนายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักดับธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิใช่ปฏิ ถ้มยาตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักดับม น, นายาตนะของบุคคล น, นั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิใช่ปัจเจเนกาโอกาตจักขายาตนะมูลกะในร้อยสี่สิบหกอนุจักขายาตนะเนภูมิใดไม่ใช่จักดับละถึงปัจเจเนกะปุคะโลกาตจักขายาตนะมูลกะในร้อยสี่สิบเจ็ดอนุ จักขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับโสตษฐายตนะของบุคคลนั้นในภ şey ูม right? right? right? right? right? right? right? ินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิใช่ปติโศตษฐายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับจักขายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิใช่อนุจักขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับ คานายตะณะของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิใช่ปฏิคานายตะณะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับจากขานายตะณะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปอวจรภูมิคานายตะณะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่จักคายนาตะณะไม่ใช่จักไม่ดับ บุคคลผู้กำเนิดปรินิพานในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิและอรูปภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและจักขายตนะก็ไม่ใช่จักดับอนุจักขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับรูปลายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิ จักขายัตณะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่รูปายัตนะไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กำลังปรินิพานในปัญจวักรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิจักขายัตณะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและรูปายัตณะก็ไม่ใช่จักดับปฏิรูปายัตณะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับจักขายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหม วิใช่อนุอจากขายยตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับมนายยตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิจากขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่มณายยตนะไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กําลังปรินิพานและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิ จักขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและมนายยตนะก็ไม่ใช่จักดับปาฏิมนายยตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับจักขายยตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิใช่อนุจักรายยตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับธรรมยยตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิ บุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิและอรูปภูมิจากขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่ธรรมยตนะไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กำลังปริญิพานจากขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและธรรมยตนะก็ไม่ใช่จักดับปฏิธรรมยตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับจากขายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหม วิใช่จากคานยตนาโมลกะในจบคานายตนาโมลกะในร้อสี่สิอนุคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับรูปายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่รูปายตนะไม่ใช่จักไม่ดับ บุคคลผู้กำลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและรูปายตนะก็ไม่ใช่จักดับปาติรูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับคานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิใช่อนุคคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับ มานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบ um. ัติอยู่ในรูปาวจรภูม <Yes, ิและรูปาวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่มนายตนะนไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กำลังปรินิพานและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและมนายตนะกก็ไม่ใช่จักดับ ปติมานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับคานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ <zum gives sti> ใช่จักดับใช่ไหมวิใช่อุคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับธรรมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับ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 ร้ออนุรูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับมนายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่มนายตนะไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กําลังปรินิพานรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับ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 และธรรมย kind of ตนะก็ไม่ใช่จักดับปฏิธรรมยตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับรูปายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิใช่รูปายตนะมูลกะในจบมนายตนะมูลกะในร้อยห้าสิบอนุมนายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับ ธัรมายตนะของบุคคลนั้นในภูมิ น, นั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมิ น, มรรมนั้นไม่ใช่จักดับแต่ธรรมายตนะไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กำลังปริน tamam. ินพานมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและธรรมายตนะก็ไม่ใช่จักดับปฏิธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับ มานายตะนะของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิใช่ 4. ปัจจุปันนาตีตวาระว่าด้วยสภาวะธรรมที่เป็นปัจจุบันและที่เป็นอดีตอนุโลมะบุคคล จากขยายตนะมูลกะในร้อยห้าสิบเอ็ดอนุจากขยายตนะของบุคคลใดกำลังดับโสตายตนะของบุคคล น, นั้นก็เคยดับใช่ไหมวิใช่ปฏิโสตายตนะของบุคคลใดเคยดับจากขยายตนะของบุคคล น, นั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติและบุคคลผู้มีจักขผูกเกิดไม่ได้กำลังจุติโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยดับ แต่จักขายัตนะไม่ใช่กำลังดับบุคคลผู้มีจกักรโผเกิดได้กำลังจุติโสต า, ายัตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและจักขายัตนะก็กำลังดับอนุจักขายัตนะของบุคคลใดกำลังดับคานายัตนะรูปายัตนะมนายัตนะธรรมายัตนะของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิใช่ปฏิธรรมายัตนะของบุคคลใดเคยดับ จักขายตนะของบุคคล น, นั้นก็กำลังดับใช่ไหม зд? วิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติและบุคคลผู้มีจักข well ู่เกิดไม่ได้กำลังจุติธรไมยตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยดับแต่จักขายตนะไม่ใช่กำลังดับบุคคลผู้มีจักขู่เ mm ก <|so|> ิดได้กำลังจุติธรามยตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและจักขายตนะก็กำลังดับร enfin ้อยห้าสิบสองอนุ คานายตนะของบุคคลใดกำลังดับรูปายตนะมั น, นายตนะธรรมายตนะของบุคคล น, นั้นก็เคยดับใช่ไหมวิใช่ปฏิธรรมายตนะของบุคคลใดเคยดับคานายตนะของบุคคล น, นั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติและบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลังจุติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยดับ แต่คานายตนะไม่ใช่กำลังดับบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กำลังจุติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและขานายตนะก็กำลังดับร้อยห้าสอนุรูปายตนะของบุคคลใดกำลังดับมานายตนะธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิใช่ปฏิธรรมายตนะของบุคคลใดเคยดับ รูปายตนะของบุคคลนั้นก็กาลังดับใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติและบุคคลผู้มีรูปเกิดไม่ได้กำลังจุติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยดับแต่รูปายตนะไม่ใช่กำลังดับบุคคลผู้มีรูปเกิดได้กำลังจุติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและรูปายตนะก็กำลังดับ154ห้าิอนุมัณยตนะของบุคคลใดกาลังดับ ธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิใช่ปฏิธรรมายตนะของบุคคลใดเคยดับมนายตนะของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติและบุคคลผู้มีจิตเกิดไม่ได้กำลังจุติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยดับแต่มนายตนะไม่ใช่กำลังดับบุคคลผู้มีจิตเกิดได้กำลังจุติ ธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและมานายตนะก็กำลังดับอนุโลมโอกาสจากขายตนะมูลกะในร้อห้าสิบหาอนุจะขายตนะในภูมิใดกำลังดับและถึงอนุโลมปุคโอกาสจากขายตนะมูลกะในร้อห้าอนุจกขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดกำลังดับ โสตายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังปรินิพพานในสุทาวาสภูมิจากขายาตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังดับแต่โสตายตนะไม่เคยดับบุคคลนอกนี้ผู้มีจักรเกิดได้กําลังจุติจากขายาตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังดับและโสตายตนะก็เคยดับปฏิโสตายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับ จากขายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจะโวการภูมิและบุคคลผู้มีจักขูเกิดไม่ได้กำลังจุติจากกามาวจรภูมิโสตายาตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่จากขายตนะไม่ใช่กำลังดับบุคคลผู้มีจักขูเกิดได้กำลังจุติโสตายาตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและจากขายตนะก็กำลังดับ อนุจากคายตนะของบุคคลใดในภูมิใดกำลังดับคานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังจุติจากรูปาวจรภูมิจากคายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับแต่คานายตนะไม่เคยดับบุคคลผู้มีจักขู่เกิดได้กำลังจุติจากการมวจรภูมิจากขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกาลังดับและคานายตนะก็เคยดับ ขานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับจากขายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังอุบัติในกางมวจรภูมิและบุคคลผู้มีจักรควเกิดไม่ได้กําลังจุติจากกางมวจรภูมิขานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่จากขายตนะไม่ใช่กําลังดับบุคคลผู้มีจักรควเกิดได้กําลังจุติจากกางมวจรภูมิ คาณาญตณะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและจักขายาตณะก็กําลังดับอนุจักขายาตณะของบุคคลใดในภูมิใดกําลังดับรูปายาตณะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังปรินิพพานในสุดทาวาสภูมิจักขายาตณะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังดับแต่รูปายาตณะไม่เคยดับบุคคลนอกนี้ผู้มีจักขู่เกิดได้กําลังจุติ จากขายาตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับและรูปายาตนะก็เคยดับปฏิรูปายาตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับจากขายาตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิบุคคลผู้มีจักขู่เกิดไม่ได้กำลังจุติจากการมาวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิ รูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่จักขายตนะไม่ใช่กําลังดับบุคคลผู้มีจกักรขวเกิดแด้กําลังจุติรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและจักขายตนะก็กาลังด like ับอนุจักขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดกําลังดับมนายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กาลังปรินิพพานในสุทาวาสภูมิ จากขายาตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับแต่มนายยาตนะไม่เคยดับบุคคลนอกนี้ผู้มีจักขบเกิดได้กำลังจุติจากขายาตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับและมนายยาตนะก็เคยดับปฏิมนายยาตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับจากขายาตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิ บุคคลผู้มีจกักขโคเกิดไม่ได้กําลังจุติจากการมวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่จักขายตนะไม่ใช่กําลังดับบุคคลผู้มีจักขโคเกิดได้กําลังจุติมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและจักขะยตนะก็กําลังดับอนุจักขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดกําลังดับ ธรรมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในสุทธาวาสภูมิจากขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับแต่ธรรมายตนะไม hm ấn, ่เคยดับบ no. ุคคลนอกนี้ผู้มีจักขุเกิดได้กำลังจุติจากขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับและธรรมายตนะก็เคยดับปฏิธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับ จักขายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิ v. บุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบตัติและบุคคลผู้มีจกักระเกิดไม่ได้กำลังจุติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่จักขายตนะไม่ใช่กำลังดับบุคคลผู้มีจกักระเกิดได้กำลังจุติธรรมย <ler> ามยตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและจักขายตนะก็กำลังดับจักขายตนะมูลกะในจบ พ า, า, าณาจตนะโมลกะใน้อยห้าสิบเจดอนุพานาจตนะของบุคคลใดในภูมิใดกำลังดับรูปรายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิใช่ปฏิรูปรายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับพานาจตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังอุบัติในฟามาวจรภูมิ บุคบคลผู้มีคานาเกิดไม่ได้กำลังจุติจากกลามวชจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่คานายตนะไม่ใช่กำลังดับบุคคลผู้มีคานาเกิดได้กำลังจุติรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและคานายตนะก็กำลังดับอนุคานายตนะของบุคคลใดในภูมิดกำลังดับ มนายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิใช่ปฏิมนายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับขานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังอุบัติในกามวจรภูมิบุคคลผู้มีขานะเกิดไม่ได้กำลังจุติจากกามวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิ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 ธรรมยตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับคาณยตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติและบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลังจุติธรรมยตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่คาณยตนะไม่ใช่กำลังดับบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กำลังจุติธรรมยตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและคาณยตนะก็กำลังดับ ภาณยตนะมูลกะในจบ